พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่24สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าหาที่พึ่งให้ได้ก่อนตาย วันนี้วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2555วันในแรม7ค่ำเดือน9พระทั้งหมด42รูปพระจำพรรษาลงมาฉัน26งดฉัน16วันพระงดฉัน16รูปอัเมื่อวาน <c oughs> ทางสุวรรณคูหาคงจะ ติดอะไรก็ไม่ทราบว่าจะมาเมื่อวานก็ไม่เห็นมาแต่วันนี้หลวงพ่อก็จะไปกราบคารวะหลวงปู่ทุยหลวงปู่บุญมีหลวงปู่อุ่นอย่างที่หลวงพ่อเคยไปแต่คณะกลุ่มใหญ่คงจะไปอีกนะคงจะไปกราบหลวงปู่บุญมีปู่อุ่นปู่คูนอะไรคงจะมี ฆากลุ่มใหญ่จะให้พระที่เป็นหัวหน้าในวัดของเราพานำไปแต่หลวงพ่อไปกราบเป็นส่วนตัวหรอกไปกราบภูบายจา์จากนั้นก็คงจะกราบหลวงปู่วัดโพธิสมพรเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็หลวงปู่ลีหลวงปู่บุญเพ็งทํากองเพนคิดว่าคงจะพอมัง่งปีนี้สำหรับหลวงพ่อนะแต่สำหรับพระ ในวัดอีกหลวงพ่อก็คงจะให้อรถบัสใหญ่คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมไปกรวะเพื่อเป็นการทัศนศึกษาสำหรับพระนว ก, กะหรือญาติโยมเป็นการทัศนศึกษาไปกราบครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไม่ได้ไปที่ไหนเลยก็เหมือนกับคับแคบ แต่อยู่กับหลวงตาหลวงตาไม่ให้ไปนะพระธายาตโยมนะพระเนรนะอยู่หลวงพ่ออยู่ที่นั้นไม่เคยไปที่ไหนหรอกอยู่ทั้ง14ปีเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าแปลกที่หลวงพ่ อ, อนุญาตให้ไปเนี่คล้ายๆว่าแบกแนวแต่สําหรับหลวงพ่ออยู่ที่บ้านตาหลวงพ่อไม่เคยไปไหนหลวงตาไม่อนุญาตให้ไปไหนอีกต่างหากเพราะนั้นจะถือว่าเป็นของแปลกพวกเราไปหรือไม่ได้ไป หลวงพ่อไม่ได้ไปมาแล้วอยู่ที่นั่นวเวลาท่านจะไปนั้นไปท่านหลวงตาไปไหมไปหลวงตาไปเวลาไปเราก็จัดของคารวะถวายท่านท่านจะไปไหนท่านจะไปกราบหลวงปู่ฟัน้นแต่ท่านก็ไม่ได้คารวะนะไม่ได้กล่าวมหาธิเลเพียงแต่ไปถึงแล้วก็ท่านก็ยกจบของคารวะเสร็จแล้วก็ถวายครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพ นับถือที่ปีอายุพรรษามากกว่าองค์หลวงตาอันนี้ก็คือเราเป็นพระในวัดเราไปจัดถวายองค์หลวงตาแล้วก็จบเราไม่ได้ไปท่านก็ไปกับไข่คนสองคนญาติโยมที่บางท่านก็ไปวัดมาวัดหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟัน้นหลวงปู่คาดีสมัยนะั้นทุกปู่ชอบที่อยู่ในละแวกเนี่ย ที่ต้องตาไปกราบคารวะแต่พวกพระเนรไม่ได้ไปอยู่ในวัดเงียบสงบต่างองค์ต่างภาวนาไม่ต้องคิดไปนู่นไปนี้เมื่อเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วไม่ต้องคิดเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเราจะไปที่ไหนก็ได้แต่ขนาดนี้หลวงพ่อเห็นไหมเขาในวนไปต่างประเทศเขาให้ตั๋วเครื่องบินไม่รู้กี่คนถ้าอยากจะไปก็ไปได้ ไปจนขาขาดแต่ยังได้มันคิดตัวเรื่องไปเดี๋ยวนี้มันอยู่ล่ะไปมัน้ไปอะไรก็ไปก็ไปดูคนอย่างเก่านั่นแหละอันนี้ก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ใจมันโลดเต้นหัวโหยหนอยากจะไปนู้นอยากจะไปนี่ต้องเบรกตัวเองไปอะไรมันได้ประโยชน์อะไรมันต้องมีคุณประโยชน์ซะก่อนยังค่อยเดินยังค่อยไป ถ้าไม่ไปไม่มีประโยชน์ไปทําไมหลวงพ่อเคยเบลเล็คตัวเองมาแล้วแต่จะไปทุจรงเออเอาไปเขาป่ารงพงไพแต่นี้ถ้าปล่อยให้ไปทุจรงพระรุ่นใหม่เนี่ยปล่อยให้ไปทุจรงเดียดเด๋ยวก็ไปหมุดอยู่วัดนั้นเดี๋ยวก็ไปหมุดอยู่วัดนี้เฮ้ยไปช่วยงานเยอ่าไปช่วยงานทําไมเราให้ไปทุจรงให้ไปภาวนาที่ไหนมันสงบสงัดที่ไหนมันทุกข์มันยากมันลําบากไปทดลองทดสอบดิ ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างไปหาภาวนาอยู่ในปา่าตามลำพังที่ไหนมันกลัวๆเอาไปอยู่อย่างงั้นมันจึงจะถูกอันนี้ปล่อยให้ไปไ ป, ไปไม่เป็นเรื่องเพราะหอะไรเพราะมันไม่เป็นเรื่องมีแต่ทะเลทรายทะเลทรายทะเนีเ่ยแต่ะะจะเอาให้เป็นเรื่องเป็นเรา้ามันยากนี่แหละอันนี้ก็ฝังไว้นะพวกเราท่านทางหลายนะพวกพระทางหลายนะแต่หลวงพ่อเห็นไหม สมัยจู่ก็ลงตาลงตาปล่อยให้มาทีแรกหงปานเดินทุดงมาทางนี้หละเข้ามาทางบ้านผือมานาเกียนขึ้นภูยะอูเดินคนเดียวเลยขึ้นไปอยู่ภูยะอูบ้านนาหลวงลาดหอธรรมลาดหอคําลาดหอธรร ม, รรมก็ลงมาทางนี้สมัยนั้นปานลงพงไพ ย, ยังหนาแน่นเดินลงมาจากภูเขาภูยะอู โอ้ปดอาหารอย่พุนย่าอูหลายวันพอเดินลงมาเนี่ยได้ยินแต่คนโบราณเขาบอกว่าขึ้นเขากระลงเขาโอ้ลงเขาเนี่ยทรมานมากเราไม่เชื่อเราบอกโอยลงเขาจะไปยากอะไรกระโดดกระโดดวิ่งวิวๆวิ่ ง, ง, ง, ง, งลงไปเลยขึ้นเขาไหนสิมันเหนื่อยกว่าจะขึ้นได้ปีนเขาอ่ะลงเขาจะไปยากอะไร แต่พอมาเดินขาวนะั่นน่ะเดินมาจากลงมาจากภูยะอูลงมาน้ำตกยุงทองเนี่ยแต่มันไม่ใช่สายนี้นะอีกสายหนึ่งนะมันอีกสายหนึ่งสายโบราณของเขานะ่ะโอ้โหมันชันมากจริงจพอลงมาเนี่ยรู้ได้เลยว่าขึ้นเขาพอลงเขาเนี่ยลงเขาในลำบากกว่าค่อยๆปีนลงค่อยๆนะั่นมันปวดนองมันปวด เส้นขาเลยทีเนี่ย้เราโตมันจะยั้งไม่อยู่มันจะขาอ่อนมันจะยวอไปเลยเกาะหินเขาไม่รู้จะเกาะที่ตรงไหนอีกทีนี่ยโอ้ก็เลยเห็นว่าโอ้คนที่ไปขายของที่เมืองมอลลแมงเมืองมอตมะมอตะแมงที่ไปประเทศพมา่าเน่ยสมัยรุ่นปู่ทวดของเราเขาว่าลงเขาในลําบากกว่าขึ้นเขานโอ้จริงจริงจริะเนี่ยเนี่ย หลวงปูล่าก็เหมือนกันท่านบอกว่าขึ้นลงเขาถอยลงมาหัวมันจะขมั่ผลี่สุดมานั่งก้อนหินเอาหลังพิงหน้าผาไว้กลัวมันจะตกเหวมันเหนื่อยฮะเนี่ยแหละอันนี้แหละคือการเดินนวการไปเที่ยวป่าดงพงไพ่ไม่ใช่มันจะสนุกสนานนะแต่ไปหาภาวนานะจากนั้นก็ลพอยไปถึงที่หลือหาที่ภาวนาหาที่หลีเกเล้น อยู่ตามลำพังเรื่องว่าเหเอ่างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าไม่ต้องคิดเรื่องกลัวตายก็ไม่ต้องคิดอีกเวลาเราอยู่ตามลำพังคนเดียวเวลาเจ็บท้องปวดท้องเวลางูกัดเราจะทำยังไงไม่ต้องคิด <c oughs> ความตายทิ้งไว้ทั้งหลังยามออกสู้ศึกสงครามอย่างนั้นออกปฏิบัติภาวนาอย่างนั้นไม่ต้องคิด <c oughs> คิดทำไมอยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นอยู่กับพดกับหมออยู่โรงพยาบาลเขาจะให้อะไรต่อเมอะไรไม่ใช่วาสายยงสายายามาโลกกี่เส้นถึงข้าวก็ตายได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้รับความอบอุ่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจับแข้งจับขาจับตีนจับมือไว้ถึงข่าวตายก็ตายได้อีกถึงอยู่ตามลาพังถึงข่าวหมดลมก็ไปได้อีกถึงข่าวตายมาแล้ว อยู่ที่ไหนก็ตายได้ทั้งนั้นแต่ทำยังไงก่อนที่จะตายนั่นน่ะเราจะได้เป็นพระอริยะได้เป็นพระหรหันต์เป็นพระอริยะบุคคลจะทำยังไงนี่แหละจุดนี่แหละเราต้องดูตัวเองทีถ้าว่าได้เป็นพระหรหันต์แล้วจะตายที่ไหนก็ตายเถอะตายที่ไหนก็ดีทั้งนั้นพระหรหันต์ตายถ้าปุถุชนเต็มไปด้วยกิเลสตายตายที่ไหนก็ไม่ดีทั้งหมด ตายไปแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอีกทุกข์อีกปกปนเวียนในวัฏฏะสงสารหาที่จบที่สิ้นไม่ได้เพราะกิเลสพาตายแต่ผู้หมดกิเลสตายแหละนั่นแหละอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะหมดกิเลสแล้วหมดห่วงแล้วทำกิเลสให้สิ้นแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือการหาภาวนาหาเที่ยวทุดงปฏิบัติธรรม ต้องเข้มงวดต้องเข้มแข็งนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าทะเลทรายทะลอะทะเลไปเรื่อยถึงจะอยู่กับหมู่ก็เถอะ อ, อไม่คุ้นเชื่องกับหมู่กับเพื่อนแต่ว่าคุ้นเชื่องนะชุนเชื่องามาพบมาเจอกันแต่ว่าอยู่ตามลําพังต้องพยายามปลีกตัวอยู่ตามลําพังขนาดใจตัวเองก็ยังไม่ให้คุ้นเชื่องขนาดร่างกายตนเองก็ไม่ให้คุ้นเชื่อง อย่าไปคุ้นเชื่องกับกายของตัวเองนะใจนะถึงจะเราจะบอกให้มันหยิบนั้น ห, หยุดนี้พูดนั้นพูดนี้หเหาะเอินเดินไปที่ไหนวิ่งเต้นอะไรก็ได้รับทานอาหารกินข้าวนอนหลับอเลดอร่อยพูดจาพาธีสนุกสนานก็จะไปไว้ใจนะใจนะจะไปไว้ใจร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนึงเถอะ ต้าแกจะสั่งมันไม่ไปนะสั่งให้มันพูดมันก็พูดไม่ออกสั่งให้มันเดินมันก็เดินไม่ได้สั่งให้มนยกแขนแต่ยกไม่ขึ้นเนี่ยแหละขราวนั้น่ะใจจะทุกข์ทางว่าใจไปไว้ใจกับร่างกายต้องคิดไว้นะใจนะอันนี้ก็ต้องทำใจในใจของตนเองเหมือนกันถึงจะอยู่กับร่างกายก็ไม่คุ้นเชื่องกับร่างกายแต่จะเห็นโทษมันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น ถ้าว่ามันไม่ไว้ใจเราไปผูกคอมันออกตายใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแตก่ก็รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าในพระไตรปิฎกในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เจริญกายยาคตาสติให้พิจารณากายอย่างเนืองเนืองถ้าคนพิจารณากายอย่างเนืองเนืองจะไม่ลืมตัวจะไม่หลงตน จะวางตัวถูกต้องจะทำอะไรจะไม่ออกนอกลูก่นอกทางท่านบรรยายไปเยอะผู้ที่พิจารณากายยาคตาสติจะไม่หลงตายจะเข้าสู่อมะตะจะเข้าไปสู่แดนอมะตะถึงจะพูดยาพาธีจะทำอะไรที่ไหนๆก็ตามจะ มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกับเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลานี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะกา ย, ยาคตาสติมีสติกำหนดอยู่ในกายกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละอยู่ในการดูในสติสติปัฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมาอยู่สติอยู่ในกายการเคลื่อนไหวของกายการจะพูดจะจาภาทีก็ให้มีความรู้สึกการพูดอยู่ในกาย รู้เท่าในกายคนที่รู้เท่าอยู่ในกายอยู่ตลอดจะไม่หลงจะไม่ลืมไม่หลงกายจะรู้เท่ารู้ทันควรจะทำยังไงมิควรทำอย่างไ ร, ไงไรจะรู้ได้จะเข้าสู่แดนอมะตะได้ง่ายอมะตะคือสิ่งที่ไม่ตายถ้าเห็นความเห็นกายยาคตาสติตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้อยู่ตามลาพังอย่าไปคิด ให้ดูกายตัวเองให้มีสติอยู่ในกายเดินโยกมนั่งภาวนาปฏิปัติให้ดูชีวิตของพวกเรามาถึงปูนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุสูงอายุเราผ่านโลกผ่านสงสารมานานผ่านวัยมานานจะเอาอะไรอีกนะถามหน่อยสิใจเราจะเอาอะไรอีกใจยังไม่พอเหรอใจอยังร่มหลงอีกอยู่เหลือใจ ต้องการอะไรอีกเหลอใจต้องถามนะอืมแต่ร่างกายรู้มันง่อมเงาผมเขาฟันหลุดจนพอแรงเนะ่เจ็บไข้ได้ป่วยยังจะมาหลงอยู่ว่าร่างกายเป็นของตนอีกอยู่เหลือใจเนี่ยยังจะให้ร่างกายนอยู่โั่ฟ้าดินชลายตายไม่เป็นอย่างนั้นจะไหมใจต้องถามดูใจของตนเองถ้าถามดูใจแล้วก็รู้จักการวางตัวแล้วจะวางยังไงเพนจะจะถูกต้อง ปฏิบัติตนยังไงจึงจะเหมาะสมรักษาสุขภาพยังไงจึงจะเหมาะสมและจะทํำยังไงให้ร่างกายนี้ทําประโยชน์ยังไงจึงจะเกิดผลสําหรับใจของเราถ้อยสีถ้อยอาศัยกันเมื่อเราเดินโยกลมมันก็กระเทือนถึงใจด้วยเมื่อเรานั่งภาวนามันก็กระเทือนถึงใจด้วยถ้าว่าเราให้ร่างกาย อยู่ตามลําพังอยู่ตามสบายของร่างกายใจมันก็นอนใจอีกเียเพราะเห็นร่างกายมันสบายแต่เมื่อใจเมื่อร่างกายได้รับเวทนาทุกขเวทนาร่างกายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ว่าจุดประสงค์ของใจนั่นแหะใจเป็นทุกขเลยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเล่านั่งภาวนานนั่งภาวนาให้ร่างกายปวดพอร่างกายมันปวดขึ้นมามันก็กระเทือนถึงใจเลย อ่อันนี้เพียงนิดหน่อยนะนะใจนะอย่าหลงอย่าลืมนะเวทนาตัวนี้เพียงกระจิตเดียวนะะ <H g ert> ถ้ามันปู่ทวดเวทนามันกว่านี้นะอตาลีตะเลือกกระเสือ ก, กระสนหายใจไม่เข้าไม่ออกกว่านี้นะใจนะอันนี้เพียงหน่อยเดียวมันปวดเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นอย่าไปติดอย่าไปติดสุขนะใจนะทุกเวทนาอยู่ข้างหน้าขวางอยู่ข้างหน้านะมากมายมหาศาลนะใจนะนี่แหละเวลาเรานั่งภาวนาก็ดีเดินอยองกลมก็ดี เราจะได้รู้ว่าเวทนานั่นคืออะไรถ้าว่าเรารู้ทั้งเวทนาเล็กเวทนาใหญ่เวทนาเล็กก็คืออย่างพวกเรานั่งภาวนาเวทนาเล็กนะหิวกระหายร้อนหนาวเวทนามันเกิดเจ็บแข้งปวดขาเนี่ยอันนี้เวทนามันเกิดกับกายนะแต่ใจเป็นผู้รับรู้ความเวทนามันเกิดอันนี้แหละอันนี้ถ้าจัดไปแล้วก็คือกายานุปัชนาเหมือนกันนะเรียกว่า จเจริญกายอยาคตาสติเหมือนกันให้มีสติอยู่ในกายถ้าพวกเรามีสติอยู่ในกายตลอดการเคลื่อนไหวไปมาทุกอย่างพวกเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้สิ่งเคลื่อนไหวของร่างกายและกับรู้เท่าทันของจิตใจอีกต่างหากใจของเราจะไปหลงอะไรมัวเมาอะไรจะทำให้กายของเราเป็นสวรรค์วิมานมีความสุขไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นแค่ไมใจ ในความรู้สึกของใจใจใจจะให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจแต่มันเป็นไม่ได้นะใจนะอย่าไปหลงนะมิถะแกะง่งอมไปเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบนะใจนะอย่าไปหลงนะใจนะให้รู้เท่ารู้ทันไว้นะใจนะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้นะใจนะให้พิจารณาให้เบื่อนายคลายอย่าไปยึดมัน่นถือมันในร่างกายนะใจนะอย่าไปยึดมั่นในใจของตนเองนะใจนะ ปล่อยกระทั่งใจวางกระทั่งใจนั่นแหละทมคาสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่แต่วางแต่กายนะวางกระทั่งความรู้สึกนึกคิดนะถึงขนาดนั้นแหละเมื่อวางความรู้สึกนึกคิดอนะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอมตะสิ่งที่ไม่ตายจะเกิดเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุท่านนะคณะ ท, ทา ย, ยาทโยมพระเนนทุกองให้ท่านอกตั้งใจให้ภาวนาให้เป็นตัวของตัว อยู่เสมอเป็นตัวของตัวอยู่ตามลําพังถึงจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เหมือนกับตัวเองอยู่ตามลําพังอยู่คนเดียวถึงจะมีหมู่มากขนาดไหนก็ทําเหมือนกับตัวอยู่คนเดียวเตือนาวมันแล้วมันช่วยไม่ได้สักคนหรอกอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะช่วยถ้าคืนช่วยเหมือนกับริงช่วยลิงอย่างที่หลวงตาเคยพูดนะั่นลิงที่ถูกกระทับหรือถูกกระตำเขาเรียกว่ากระตำในะภาษาทางทางนี้ยกระตาทับลิง ทั้งที่จะไปยกไม้ขึ้นมาเพราะไม้มันทับใช่ไหมก็ยิ่งขึ้นไปกระโดดเหยียบอีกเพื่อจะให้มันมันยกขึ้นมันไม่ยกเนะี่ยเหยียบเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักลงไปเรื่อยลิยงหลายตัวเนะี่ยนี่ก็เหมือนกันนะั่นะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคิดว่าจะช่วยกันคนนั้นเอานั้นยัดเขา่าอันนี้ยัดเข่าเอาไปมาก็เลยตายอย่างเก่านันะ่นนะฮจะทํำยังไงได้เกิดแก่เจ็บตายคนนั้นให้คิดว่าตัวเองนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตัว ตัวเองนั่นแหละนี่เป็นเกิดมาต้องพึ่งตนเองเพราะฉะนั้นเราหัดพึ่งตนตั้งแต่บัดนี้แหละพึ่งคุณงามความดีพึ่งบุญกุศลพึ่งสมาธิศีลสมาธิปัญญาพึ่งภาวนาพึ่งภาวนาตนเองให้พิจารณาดูเองเป็นหนึ่งอยู่เสมอไม่เกี่ยวข้องกับใครๆในขณะที่ภาวนาไม่ต้องคิดพึ่งใครทั้งหมดอขนาดร่างกายอยากพึ่งไม่ได้ เราจะเป็นพึ่งใครอื่นละ่ะเนี่ยถ้าออกมาข้างนอกเออเอาธรรมดาต้องพึ่งพาอาศัยกันออกมาข้างนอกหายใจก็พึ่งร่างกายไปออกจะมาก็พึ่งร่างกายร่างกายนี่ยก็พึ่งคนอื่นอาหารการบริโภคพึ่งพาอาศัยกันเราอาศัยเขาเขาอาศัยเราอาศัยซึ่งกันและกันแต่พอมาเข้ามาส่วนลึกข้างในเข้ามาแล้วกายก็พึ่งไม่ได้ ใ, ใจตัวนี้ก็ยังพึ่งไม่ได้ เดี๋ยวกว่าเวเดี๋ยวกว่าอ้างว้างเดี๋ยวกว่เงียบเงียบเงาเดี๋ยวก็เศร้าซึมเดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ปกติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจแท้ๆก็ยังเป็นอนัตตาอีกไม่ใช่เราอีกมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาเราจะไปยึดมั่นถือมันว่าใจเป็นของเราได้อย่างไรนั่นให้ดูก็ทั่งใจอีกถ้าเรามีสติเข้มแข็งนะหลวงตามหาบุตรมหาสติมหาปัญญาถ้าดูใจได้ขนาดนั้นนะ เลิดประเสริฐแต่พวกเราก็ฝึกหัดอถึงจะไม่เลิดประเสริฐขนาดนั้นกัฝึกหัดมันกัดกลองไตตรองมันพิจารณาหาเหตุและผลดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจเนี่ยผลที่สุดเราก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งใจปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งใจเนี่ยว่าไม่เที่ยงเป็นอ น, ในจิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายนั่นแหละ มรกรล่นนี่ผ่านไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ใจทีนี่ที่ปล่อยวางนั่นที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจุดนั่นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักนะแ้วตอนนี้ไปรับพ่อน้อมโมทนาให้ผล